ทังธรมต่อไปอีกการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของเราเนี่ยแหละเราก็มีกายวีใจเรื่องที่เกิดเกิดไากับกบจยทั้งด้านที่เรายังไม่รู้แม่รู้แล้วก็ยังไม่ทำให้แจมแฉง เราสอนยายประสูติส่วนมนุษ์ป้ายพระตอนเช้าตอนเย็นสามสินาทีก็มีแต่เรื่องของเราคือกายใจนี้ทั้งนั้นปัญหาเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ถ้าเราศึกษาปัญญาเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ ละบาปว่าละบาปที่กายนี่ที่ใจนี่ทำบุญก็ทําตีบุญที่กายที่ใจนี่ว่าผลนิพพานเกิดอยู่ที่กายที่ใจของคนเรานี่ถ้าเราศึกษาเราก็เคยมีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจเคยร้องไห้เคยเสียใจเคยเป็นทุกข์เรื่องกายเรื่อ ง, จ ใ, รรอง ใ, ใ, ใจใทจบแล้วทุกเลองเรื่องเก่า แม้แต่ความคิดก็เป็นทุกข์ยดความคิดนั่อีกเป็นแอวคามเอาชีวิตไปห้อยไปแฉกไ้กับความคิดแล้แต่คิดอะไรขึ้นมาจมได้ดังนั้นคิดจะค่าตัวตายก็ฆ่าตัวตายได้จะฆ่าคนอื่นก็ฆ่าคนอื่นได้ มันป่าหันหรือขี้ขวนขี้นี่มาดูกันเถอะพวกเรามาจะคืออะไรแน่นอนแต่มาจังดูร้ายขนาดนั้นกังควัญคืนเป็นวันกังวักลางวันเป็นเปลวหมกมุ้นอยู่กับเครื่องควางคิด เรื่องกายก็มาเป็นประปัญหาอีกมากมายเป็นผู้มีความทุกข์ยังเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีจิงเกงมีลูกมี น, าน้ารูปน้านก็ไม่เสี่ยงเป็นทุกข์ทนยอก เกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปรูปนามนี้เป็นทุกเกิดขึ้นแล้วเกิดเก็บตายไปชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงตายไปเกิดหนึ่งคนก็ตายหนึ่งคนไม่เก็บไม่เก็อไม่ตายเป็นชีวิต ท, ที่น่าสงสารที่สุด เรามาช่วยกันมาศึกษาเลื่นี้กันโดยพ่อวิชากรรมฐานนล่ธรรมปิกเป็นวิชาเกิดพุทธะขึ้นมาเอากายเอาใจนี่แหละเป็นหลักสูตรมีสติศึกษาลงไปที่กายที่ใจให้สติเป all, ็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของขิตใจดูแลกายใจให้มันคุ้ม อะไรมันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมไม่เป็นธรรมต่อกายอะไรเกิดขึ้นมาเป็นธรรมไม่เป็นธรรมต่อจิตใจถ้ามีสติจะบอกความเท็จความจริงได้ให้มีสติเป็นเจ้าถิ่นเจ้าของตั้งไวจะได้คําตอบจะได้คําเฉลยทุกเรื่องที่เกิดเกิดมากับใจ ในชีวิตพัสดพระธรมพระวิไนพระอะไรต่างๆพัสดุตัณต์ดกพระวิไนปุถุพัทธมปุถุเป็นใจพันเรื่องเกิดเจียวที่กาใจของคนเหล่านี้วิธีปฏิบัติกรรมฐานก็โอ่คอยเป็นตำลาโอใจเป็นตํารามีสติเป็นนักศึกษา ดูเหมือนกับเข้าโรงเรียนเข้าห้องเรียนต่ไ้บทเรียนจากกาจากใจของเราเนี่ยมันจะมีอะไรให้เกิดขึ้นมาเห็นถ้ามีจิตปัตญาต่างวัย เดิกไปเดูมาสะเหลักเห็นฐานได้หลักไดฐานคือเห็นลูกเห็นนามมันเคลื่อนหวอยู่นี่มันคิดไปโน้นมันนั่งอยู่นี่มันคิดไปโน้นมันหอบขี้วไปไหนมันคิดนั่งอยู่มันคิดจะลูกนอนอยู่วันชิดจะลูกลุกอยู่วันชิดจะนอนนัน่งอยู่มันคิดจะนอน อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่สัตินั้นเราจะได้เห็นมานน่นก็คืออะไรเมื่อเห็นรูปเห็นน้ำจะได้หลักไดฐานมันจะบอกสูตรของมันสูตรรูปมีอะไรบ้างสูตรน้ำ ม, มีอะไรบ้างรูปทํามันทำอะไรบ้างน้ําทํามันทําอะไรบ้างมีทําอะไรบ้างเกิดขึ้นที่รูปที่น้ํานี่ เป็นกุศลเป็นความฉลาดอางหลายเป็นอกุศลเป็นความโง่อย่างหลายเกิดขึ้นที่รูปก่นามนี้เราใช่รูปใชนามไม่เป็นเป็นทุกข์เพราะรูปเป็นทุกข์เานามเอานามเป็นทุกข์ก่อรูปมาเป็นทุกข์มันทุกข์จริงหรือมาดูมันสิถ้ามีสตินะ จะได้เห็นจะได้บทเรียนจะได้ประสบการณ์เกิดจากรูปจากนามมันแสดงออกมาให้เราได้เห็นความเท็ความจริงอย่างไรก็เป็นธรรมก็ไม่มเป็นธรรมอย่างไรเกิดกับรูปกับนามนู่นถ้ามีสติจะได้เลือกตู้จักเลือก ตะเกิดความบันทาขึ้นเจอรูปจะเกิดความบะนทามขึ้นเจอนามเพือจิตใารูปนามก็จะไม่เบียยเบียนกันโดยเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งอาศัยรูปนี้เพื่อให้เกิดเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกตัวอาศัยนามนี้เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกตัว ก่อนเมื่อเอาลูกเอาเสดไปตั้งแง่ความหลงเอาเสือนามไปตั้งแห่ความหลงแบบนี้ลองมาดูซิมันจะดตั้งได้หรือถ้ามีสติเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านใครจรมาจะรู้จักถ้าคันโตกะที่จรมาจะรู้จัก ทำประโยชน์ทำโทษเจือรูปเจ้านานดังลายจะมีอํานาจจะ ม, ม, มีความเป็นธรรมมีความเป็นหญ่เกิดขึ้นมาได้เหมือนเราเมื่อเราเป็นเจ้าของบ้านใครมาบ้านเราเราไม่ความเป็นใหญ่ก็มาทํำลายเอาบ้านเราเสียหายเราก็รับไปได้มีอํานาจเลื่อยหนีไป ฉันใดก็ดีถ้ามีสติเป็นเจ้าของดัวเลืกาใจอะไรมันจบันมาจะรู้จักรักษานี่ของเทิดของจริงมานจะได้เห็นความหลงมันไม่จริงความรู้จักตัวมันจริงหลงกายที่กายหลงที่ใจก็เหมือนกันความทุกข์ไม่จริงเกิดขึ้นที่กายที่ใจความไม่ทุกข์ เป็นของจริงที่เกิดขึ้นที่ชายมันตรงกันข้ามมันแย่ได้มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนล้ายเป็นดีอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนล้ายเป็นดีอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนผิดเป็นถูกอยู่เรื่อยๆมันก็ชำนิชานานเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ย น, าย น, ย น, น, ยนบาปเป็นบุญ สมผัสกับบาปทั้งหมืกับบุญใจดีใจร้ยายบุญคือใจดีดีบาปคือใจร้ยายไม่รับความใจร้ยายระเกิอดอยู่ที่จิตใจรับบุญใจดีมีความสุขกินได้นอนได้ซึ่งพาอาศัยกันได้ ต่างคนต่างมีคุ่นต่างคนต่างมีความดีต่างคนต่างละบาปปฏิบัติธรรมนี้ทำเราคนเดียวแต่ว่ามันเป็นคนอื่นไปด้วย ต, ตั้งต้นจากเราเราเป็นคนหนึ่งแล้วละความชั่วทำความดีนี่มันทำได้อย่างนี้แต่วใครตัวมนันเราใช้กันไม่ได้ ท่านหลงเองถ้าก็เปลี่ยนหลงเป็นลูกเองมีหมายงานแบบนี้เกิดขึ้นไหมมีงานทําไหมถ้ามีกรรมฐานบางท่านจะมีงานทํางานเรื่องกายเรื่องใจเวลามันหลงในะหลัก ง, งานเราเปลี่ยนหลงเป็นลูกคือมีกรรมฐานกลับมาที่ตั้งเอาไวา้การกลับมาเรื่องตัวแล้วว่า ปฏิวัติทมแล้วละชั่วแล้วทำความดีแล้วทำกิจได้บริสุทธิ์แล้วกิจก็ไม่ไปเปิดอนเปลื้อนหลงหลงไม่เปื้อนเปื้อนความทุกข์เลยตั้นหาหลาคะไม่เปิดเปื่อนมีแต่ความรู้ว่าเกิดความํานานเกิดเป็นศาสตร์เป็นศีลขึ้นมาจำนานมันอยู่กับเราเธอเถอด มั่นจมั่น ใ, ม, นใมั่นการใจการใช้การใช้ใจให้ถูกเผต้องอยู่ทุกโอกาสมีชีวิตยอยู่ปกติตลอดเวลาไม่มีภูไม่มีแฝบจนถึงมันหมดงานลงไปเสร็จลงไปรวมหลงเป็นข้างสุด้ายมีเหมือนกันความทุกข์ทั้งค้างสุดท้ายมีเหมือนกัน คนทำงานงานต้องสุดงานเกิดที่กายที่ใจต้องสึดเกี่ยวกับกายกับใจเช่อไหนเพื่อใดจนความทุกข์เกิดกับกายเป็นอะไรบ้างสภาวะทุกข์ทุกทธรมชาตนิสสังขุปทุกข์กตนนิสต้องขันกายต้องเอกาทุกข์ทุกจอนเน้นต้องขยันใจต้องกินน้ำลายต้องเคลื่อนไหวอาการตุกตาทุกข์ทุกจรนมาเป็นข้างเป็นขาวนความหิว ความหนักความเบาต้องเป็นจรมาเป็นข้างเป็นข่าวไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ที่จะเป็นเจ้าถีนเจ้าของก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่บังเกิดขึ้นมากับกาที่เป็นทุกข์เป็นปัญญาไม่มาเป็นโทษด้วยความฉลาดเห็นเท็จเห็นความเท็จความจริงว่ารูปว่านามนี้มันไม่เที่ยง เมืม่อวันมาเที่ยมมันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่อัวตนของวันรูปนี่ไม่มีใครสนใจมันได้นั่งอยู่นี่กันไหลไปสิ่งความเจ็บความเจ็อ ค, ค, ความตายมี่เป็นเรื่องของรูปเราก็รู้จอกเรื่องนี้ชัดเจนแม่นยำเราใจเห็นแจง้งเห็นตั้งแต่อายุ น, น้อย เมือ่อความไม่เที่ยงความไม่ทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นในทุกข์ก็ไม่ได้เป็นความทุกข์เป็นความฉลาดเป็นมากเป็นผลรู้แล้วรู้แล้วมันจบไปแล้วอันเดียวอันเดียวถ้าเราไปรู้แจ้งเรื่องนี้ก็ามาเป็นทุกข์ลองให้เสียใจเพราะความไม่เที่ยงรภิภาษจากของลักของชอบใส่เป็นทุกข์เราจึงมาศึกษา อยาป่วยทิ้ไงไว้อย่ารับบาบรับกรรมไปนานกินไปให้ความทุกข์เป็นทุกข์ให้ความโกรธเป็นโกรธเป็นคนรับบาปรับกรรมกรรมไม่จบไม่สิ้นสักทีเราบใช้ความโกรธรับใช้ความทุกข์รับใช้เฉลอปัญหาข่มไล่ข่มดีตั้งแต่เกิดขึ้นที่รูปที่นามนี้ก็ ก็นหนักอยู่แล้วยังเอาทุกขกันอื่นมาใส่มันอีกกินเหล้าสูบุรี่เทีเท่ยวเตเ ล, ล่รอนบริโภคมากขึ้นมากขึ้นจำเป็นอะไรก็จำเป็นหมดยิ่งทุกวันนี้มีวัตถุที่มาบริโภคให้คนได้เกิดความหลงมากขึ้นมีรถมีเรือไปเที่ยวไหนไปกินไหนไปที่ไหนก็ได้เข้า บ, บานะครับก็ได้รถฟ้าไป ก็มืดปวดไปเลยชีวิตทั้งชาติจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์เราควรจะเป็นเดชละเมื่อเร า, ป า, าเป็นเดชละรู้จกักตัวเองชัดเจนแม่นยามก็ารู้จักคนอื่นหมดรู้จักช่วยเหลือกันไม่กลอกกันเตีง เป็นน่าสงสารคนเราเนะ่สงสารจับที่จับใจนะสงสารคนเนย้แต่เดูกต้ง่น้อยเห็นเหล็กก็สงสาร <c oughs> ย้อนหนึ่งไปเที่ยวประเทศหนึ่งก็ดูศาสนาเดินขึ้นบันไดไป แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งอุ้มคนหนึ่งจูงเขื่นเนี่สามีก็มีแต่ว่าเธอหนึ่งห่าง ก, กันแต่เขายังไม่ได้จบลูกเวลาขึ้นบันไดพูขึ้นมาได้ไดลูกก็ร้องไห้าอาจจะเหนื่อยอายุมไม่มากแต่เมื่อนี่ขวบๆหรือสองขวบนี่ก็ร้องไห้แม่ก็ลากแขนขึ้นบไง ล่องให้อยู่ลูกแม่ก็โกรธลูกตกหัวลูกตกลงไปยิ่งมันได้ลงไปแม่ยังตามไปเตะอีกแล้วก็อดเมาลาก็จับเขียนเด็กมากรอดไว้ไม่ให้มาทําำลายเิดว่าเราจับเด็กมากรอดไว้แม่ก็ดูหน้าเราดูลูกล้วก็มือลูกหัวลูกหลังมัน แล้วก็เมื่อรู้ท่าทางมันเจ็นลงก็ฟ้าไปแม่ก็สงบลงนี่เห็นทำได้ขนาดนั้นอ่ช่วเป็นแม่คนลูกก็น้อยๆตกหัวเตะลงไปเคยมีบ้างหมายเวลาโกรธตีลูกตืนเดาจนหลังแตกจนเลียวเม่เท่าจนลอยมือ เวลานี่มันโกดหไวยตามตความโกรธจีข้างจีโหนตามๆความโกลทุกข์จีข้างจีโหนมีจรงหรือขวงโกรธวงทุกข์เนี่ยไม่รับใช้มันเป็นข้างป ข, <gers> ขาวปลอดไปไหมชีวิตของเรานี Mun ้จะ่ร่วมกันเนี่ยแต่ตัวเองก็ไม่ปลอดภัย เราจึงมาศึกษาในปล่อยทิ้งวัไมาไดา้ปฏิบัติธรรมนีนไม่มีวิชาไหนที่จะสอนเรื่องนี้ได้ไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนกันนี่แต่ตัวเราสอนตัวเราโดยอาศัยสิ่งเวทล้อมหมู่มิตรเพื่อนฝูงกันญาณมิตรอำนวยให้เกิดความสุดุกเรื่องนี้ มันก็จบได้มันมีมากเป็นผลชีวิตรูปชีวิตนามนี่เมือ่อปฏิบัติเมื่อศึกษ า, าครมเป็นธรรมเกิดขึ้นก็เป็นมากเป็นผลขึ้นมาจตดริชนไม่มีมากเป็นผลแต่ไม่ศึกษาเป็นนรกได้ชีวิตของคนเรานี่ถ้าหลงเป็นหลงไปชั่วอบายเท่ากับขนวัวเขาขนของวัวขนของโค ถ้าหลงเป็นลูกไปสู่นรกเท่ากับเขาโขไปสู่วสวรรค์ น, ขนขี่ผ่านเด้่ขนโขเลือกได้อย่างนี้อย่าปล่อยทิ้งตรงนี้ก้าวแรกคือตรงนี้สติก็ตรงนี้ต่อหน้าตรงนี้สติไม่น่าที่ทำอย่างนี้มีความรู้สึกตัวก็มีความหลงสติต้องเห็นทุกเรื่องที่มันหลงขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นลูกสิกตัวกลับมาสร้างแจ่วว่านี่ นี่การสร้างทางไปถูกมรรคถูผลของชีวิตของเราต้องไปสร้างตัวนี่กับไปไม่รอดสู้ไม่แยกงคุณเฉลี่ไม่ไขไปไม่ได้หลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตานต่างท่านนี่ไม่มีอะไรเดิจากกาจากใจเรานี่เองเก็จากจิตก็จากใจทีคิดขึ้นมาไม่มีอะไรไม่มีผู้บังคับป้อง แก้ไขตนเดงต้องมีสติเตือนตนเดงทุกคนต้องทาอย่างนี้จะอยู่กันด้วยความสวบร่มเย็นเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ไม่ใช่เราคนเดียวแล้วรับผิดชอบที่เราไปรับผิดชอบเราคนเดียวก็มีการมีใจเมื่อรับรู้ศึกษาเรื่องนี้ เรจจะท้งเราก็เป็นสังคมมีครอบมีพรัวมีพอ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีปุตพัญญาสามีก็ยิ่งจะเป็นประโยชยน์ไปช่วยกันไปช่วยกันลูกของเราเมียของเราสามีของเราพ่อแม่ของเราเพื่อนของเราจะเกินความสุขจริงๆนะสันติภาพชีวิตของสัตว์ขึ้นฝ่าเสียกันได้เราจึง ตั้งต้นที่เราก่อนเถอะนับหนึ่งจากตัวเรานี่อา้าลูกพ่อนี่แม่นี่แเราละคนหนึ่งคิดอย่างนี้อะไรเป็นความดีมีแบบมีอยา่างมีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสาวนชนธรรมดานี่ทำไมจึงเป็นพระเจ้าได้เราพระลหันทั้งหลายเป็นสาวกก็เป็น เาศีรษะเหมือนพวกเราเนี่ยทำไมจึงเป็นพระเจ้าได้เป็นธรรมะเป็นพระหลานได้เมื่อถึงทุกวันนี่บุรพาจารย์อาจารย์เมือถึงพวกเราไม่ล่องไม่ลอยแล้วเราก็สัมผัส ด, ดูซิสัมผัสทําตามดูซิมีสติอยู่ดูกายตลอดมีสติบรรยากาศอยู่เป็นประจําน้โดูซิ ที่สูตั้งหลายโน่นคนมน้โนดเหลือนว่างแต่จังไปมีความเปลี่ยนเครื่องผาเลดอย่าล่ออย่าได้ล่อนใจในภายหลังเลยมีสติไปนั่งตั้งกายให้ตรงมีสติให้ไปนในกาอยู่เป็นไปจำเวลามาชิตไปไหนกลับมาแล้วผมก็ทำอย่างนี้จึงออกมาสอนสมยัยแรกได้กอจาก นั่งต้นโพอาจจะคิดถึงพิมพาก็กลับมารู้จักตัวผู้แข็งเท่าเหยียอแขนงดอกอยู่ต้นคิดถึงพิมพากลับมาตามไปคิดทุกต้องทุกหล่อคิดถึงลาหุนกลับมาเปรียบเทียบลาหุ่นก็เกิดมาใหม่เพียงเจ็ดวันคิดถ้าเหตุนลาหุนคิดถึงปัสสาวสามฤดูก็กลับมา เปียกเที่ยวปุต้นสีมหาโพยังไงเหตุผลมันก็มีเจอหน้านมาเห็นหน่อยมันนำมาคิดเวลานี้ไม่ใช่เรามานั่งคิดเมื่อบำเพ็ญสมธรรมนะทางตอบหาสู่ทางนักปนิญญานให้เหลือความเสียความเจ็บความตายมีความเสียความเจ็บความตาย จึงสาะหาเรื่องนี้อะไรก็ศึกษามาหมดเหลือแต่มาเรื่องการเรื่องใจนี้วิธีอื่นทำมาหมดแล้วสมัยที่ความเพยียทุกขจียาเหลือแต่หนังหุ้มก่าดูกยองมีจิเลตันหาอย่างโกรธปัญจวัคคีพอใจกับปัญจวัคคีไม่พอใจบ้างก็ ขนาดนิ่มยังมีกิเลสตระเหาะอยู่จ น, จ น, จ, นจนตันจั๊วชีจับลงอับน้ำหอบขึ้นบนฝังมันยังโกรธยังคิดอยูจึงมองเห็นว่าเออมันปลเลี้ยงจิจใจแน่นอนต่อไปนี้ต้องบําเป็นตั้งกิจการมาเป็นตั้งกิตต้องจิจข้าวให้มีกําลังสิลอยพอจึงข้ามีกําลังก็มาได้ที่ สีมหาโพลมาตามประวัติแ้วดูล่องรอยเป็นอย่างนั้นฉันก้าวนักชดชาดาฝั่งแม่น้ำในรันชลาทิ่ตะวันออกเดินข้ามาฝั่งทิตะวันตกที่เนินมีต่อไม้มีโทนโพมีกำลังกำลังปัอมเป็นตังกฤษ พระเจ้าตรัสรู้ทางเกียรติฉะนั้นมันคิดไปถึงปีปากับมารู้จากตัวนี่ควาเพียรทางเกีติได้สอนเกียรตมันคิดถึงไปถึงลางหนกลับมารู้จากตัวนี่คือความเพียรเีติด้สอนเกียตคิดอะไรไปเคยคิดอะไรเคยมีอะไรก็คิดเรื่องนั้นแล้วถ่อมก า, า, าลังในภาษาสารดู ไอ้ป้าเจ้าจากกักรพรรดิที่อยู่ในกํำมือก็ยังคิดไปกลับมาสอนจตดทุกเรื่องทุกเราะจนมันหลงไปไม่ได้ตั้งใจมันคิดปเป่งกลับมาลู่กลับมาลู่กลับมาลู่กลับมาลูล่ลลลจุกตัวสอนครั้งเล่าครังเล่าหลายเที่ยวหลายโลกเรื่องเก่าหลงหลายเลหลายรอกหลงที่ใดลู่ที่นั่นลู่เท่าลู่ทัน จะมัเกิดจากความคิดความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจหวางคิดขึ้นมาเองหวางคิดร่างใจก็ไม่ควรจะคิดในเวลานี้ให้เข้าห้องเรียนนี้เสียก่อนอย่าเรื่องเกินว่าเกี่ยวข้องกับห้องเรียนนี้มีจิตดูการดูใจเข้าไปอันอื่นไม่จาเป็น ก็พยายามทำเรื่องเดียวลองดูหนึ่งวันสองวันสามวันมันก็จะรู้เรื่องเดียวบ่อยหลงไบ่อยๆก็รู้บ่อยหลงหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างหลงร้อยข้างปันก็รู้ทันร้อยข้างวันห์มันจะเกิดไหลขึ้นมาให้ทำอย่างนี้อย่างมันเว้นลักเพราะหลงแล้วการบรรทุกบรรทุกมันเตินช้าไปไกลแล้ว เอาขึ้นมาบปไหวเอาขึ้นมาไปไหวกลับมาไปไหวอย่าให้มีลอยไอ้ที่เละตันหาเกิดจากความคิดให้ความโกรธความโลภความเลอะความชังเกิดจากความคิดให้ความเกียจข้านเกิดจากความคิดในความพอใจไม่พอใจเกิดจากความคิดมันไปไกลแล้วดับเบิลคิดไปแล้วแล้วก็ยังมีลอยอยู่ รีบด่วนช่องหน่อยรีบด่วนช่องหน่อยวิธีที่รีบด่วนก็ทำได้มีที่ตั้งมีกรรมฐานลูกฉันเข้าเย่าเฉันดอกลูกอยู่นี่แม่หนังเตือดเนื้อจะเหือแท้งไปก็ช่างมัวมันอให้ตั้งใจอย่างนี้เด็ดเตียววังบ้างอย่าหล่อเละหอพิ้วเขาหอบพิ้วไปไหนก็ได้คิดจากลูกก็ลูกไย เจ็ดทำรโลกกัท็ทำมปโดยใช้รู้สักตัวให้มีระเบียบ ม, มีวินในวิในใช้ชีวิตบ้างวิในเป็นการขีดเส้นเอาไว้มีเส้นเอาไว้ทำให้เป็นอย่างเดียวทุกวันทุกวันน้ำดอกทุกวันไม่ใช่ ก้มร่าก้มขยันก็ทําขี้เกียจก็หยุดเป็นเช่แบบนั้นขยายความขยันพาธรรมใหญ่ความขี้เกียจพาธรรมให้เป็นศรัทธามีความเชื่อว่าการตรัสรู้ของผู้เจ้ามีจริงผู้เจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์มีจริงอยู่ที่กายที่ใจเรานี่มีศรัทธาแล้วก็มีความเพียร จรดงออกไปใจมีสติปกลงไปมีสมาธิมั่นใจในการกระทําลงไปมีปัญญารอบรูปเจกิจาเป็นถุยู่เรื่อยมันหลงต้องเปลี่ยนแต่นลูกแมันครบพลังพลังแห่งการตัดตะลุเรียกว่าพลังห้าอย่างศรัท ธ, ธาพละ วิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาภละหรือว่าอินทรีย์ก็ได้ใหญ่มันใหญ่มันบรรยายนี่ศรัทธามายิ่งใหญ่ความเพียรมายิ่งใหญ่สติมายิ่งใหญ่สมาธิตั้งใจมั่นอยู่เสมอมายิ่งใหญ่ปัญญาลู่รอบล อ, อยู่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติกลับสามารถรู้ได้ให้เป็นพละอันนี้ขึ้นมา ทำไมสุดฝีมือบ้างอย่าไปคิดเรื่องอื่นที่นี่ขอขอคิดให้จะกินอะไรจะทำอะไรก็ไม่ต้องคิดลแล้วโศตายโศตรยก็พยายามไม่เกิดความสะดวกเท่าที่ทำได้ที่จะลงทุนดทาของประชาชนคนไทยทั้งชาติลงทุนให้ สถานที่ที่นี่พะเกิดความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติผู้มาใชา้โดยเพราะผู้หญิงนี่มีคนลงทุนเยอะ ก, กว่าผู้ชายสะดวกกว่าผู้ชายที่เรามาศกปาริกาตสะดวกกว่าที่หวสาย แต่พระก็ยังไม่สะดวกเท่าพิกวาชิกาเพราะคนศรัทธามากศรัทธาเกิดจากผู้หญิงนี่มีมากแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไทยแต่ว่าก็มาด้วยกันนั่นแหะแต่ว่าผู้หญิงนึ่รู้สึกว่าเป็นกำลังส่วหนึ่งของพุทธศาสนา แล้วนั่นล้วก็อุ่นใจมาอยู่ที่นี่ก็อยากคิ ด, ดแต่ล้รับรองไปพาหลงพาผิดผิดทู่ผิด ท, ทางน่าเกิดแล้วก็กถามมีเพื่อนมีมิตรมีครัวาจานอยู่เป็นเพื่อนเป็นมิตรแต่อาศัยตั ว, วนองเป็นหมายเลกหนึ่งทมอะไางไปไม่คิดจะถามก็ไม่ต้องถามหรอก ไปติว่าไปก่อนบางทีความคิดจะถามมันทำไมท่านถามแล้วมันจะเลยไปแล้วเมื่อเวลาเราทําความเพียรมันจะได้ความฉลาดมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นทํางานมากขึ้นอาจจะไม่สะดวกนั่นหลัะทําให้เราได้เข้มแข็งควมสะดวกทำาเวลาอ่อนแอก็ได้เป็นความลําบาก ความไม่สุดวกในเชื่อมแข็งจนขนจนทให้เกิดความเชื่อมแขงต่อชู้ไม่ท้อถอยขอบคุณความจนขวบคุณความทุกข์ความทุกข์นี่ทําให้เกิดเป็นพระพุธเจ้าความทุกข์นี่เลยเกิดเป็นพระลันดาวอย่าหนีหน้ามันทุกข์จึงเลยเนี่ย มีทางตรงกันข้ามเปลี่ยนได้ไม่ว่าเราจเกิดขึ้นกาที่จะเป็นของสองอย่างสองขั้งตรงกันข้ามความหลงก็ตรงความไม่หลงความทุกข์ก็ตรงกับความไม่ทุกข์ความโกรธก็ตรงกับความไม่โกรธเมื่อมีตรงกันข้ามนในกับไปเรื่อยไปเรื่อยจนถึงความเจอะก็ตรงกับความไม่เจอะความเจ็บก็ตรงกับความไม่เจ็บความตายตรงกับความไม่ตายถ้ามาจำนานไปทางนี้ เห็นไม่เป็นแล้วต้องอาศัยมัล้วรอถึงที่สุดเราอาศัยตัวเดียวคือสติปัญญาให้มีอะไไม่เน็นไรรู้แล้วเห็นมาหมดแล้วเห็นเราก็จึงไม่เนไปกับมันไม่เป็นเราคำนั้นเพราะมันเห็นมาแล้วรู้มาแล้วผ่านมาแล้ว ผู้ช่วยกันฟังเพื่อเป็นส่วนประกอบการปฏิบัติธรรมแลสมควรจรเวลากราบภาพร้อมกัน